ใครมีคำถามอะไรมั่งไหมเหลือ1ินาทีวันี้เราจะฝากต่อนะสิบนาทีนี้ไม่ถามมันจะฝากต่อฝากต่อว่าให้เราเอาไปใช้ฝึกในชีวิตประจำวันวันก่อนที่วัดุูผารามก็ได้บอกไปครั้งหนึ่งนะเรื่องชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตประจำวันเราเนี่ยตื่นนอนขึ้นมา รู้สึกตัวปั๊บรู้ลมหายใจยาวให้ได้ห้าคู่ทาไม่ได้เพราะว่าถ้าเรารู้สึกตัวปั๊บไม่ให้สติเกิดกิเลสมันก็เกิดเราก็เลือกเอาตอนเรารู้สึกตัวเราจะให้กิเลสหรือให้เราจะให้กิเลสหรือให้สติให้สติก็ต้องห้าคู่สาคู่ห้าคู่ รู้สึกตัวปับจากที่นอนก่อนลุกออกจากเตียงเลาวสักสามคู่หรือห้าคู่ต้องลมหายใจหลังจากนั้นก็ลุกไปอ่องน้ําไปล้างหน้าแปรงฟันทําอะไรอาบน้าอาบท่ากินก า, กาแฟอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเริ่มทํางานอีกสักสามคู่ต้งลมหายใจคือในระหว่างวันเนี่ยพยายามให้จิตรู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆถ้า มีการรู้ลมหายใจอยู่สักห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้ง8ดครั้งครั้งละสองคู่สามคู่สี่คู่ในระหว่างที่เราทํางานพอทําบ่อยๆจิตจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่ารู้ลมหายใจได้ทั้งวันมันต้องขยันในการที่จะทําแบบนี้นะแล้วค่อยๆรุกคืบเข้าไปรุกคืบเข้าไปถ้าอยู่ๆจะไม่บอกว่าให้อยู่กับลมหายใจเลยไม่ต้องทํางานทําการไหนนี่มันไม่ใช่แล้ว มันก็ไม่ได้แต่ว่าเราฝึกให้จิตก็รู้ลมหายใจบ่อยๆเพิ่มจานวนครั้งในงการรู้ถ้ามีเวลาพอที่จะได้ให้มันพอดีพอดีนะไม่ต้องไปฝืนมากสามคู่สองคู่สามคู่สอง ค, ค, คู่ห้าคู่ได้เอาห้าคู่ดูจังหวะถ้าไปทํางานนอกบ้านลุกู้รู้สึกตัวบนเตียงนอนก็ได้ห้าคู่ อน้าอาบท่าเสร็จกินกาแฟเสร็จเรี่ยบร้อยเดินก่อนออกจากบ้านสักสองคู่ปกขึ้นรถตะขับรถไปเองนะขึ้นรถนั่งจับพวงมาลัยก่อนที่จะออกรถก็หลับตาใส่ไปสักสามคู่ในระหว่างที่ขับรถอยู่บนท้องถนนมันไม่มีกิย่างอื่นไปเจอควายแดงเห็นตัวเลขควายแดงหลายๆายวิก็เอาได้ทักสองคู่สามคู่ปฏิบัติให้ได้โดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนกับสิ่งอะไร เมื่อกลับไปถึงที่ทำงานจอดรถก่อนออกจากรถเอาสักสองคู่ได้ใช้ทติตรวจสอบดูแลวเราล็อกรถดีหรื อ, อยังเข้าไปถึงที่ทํางานก่อนไปนั่งน่งทำงานก่อ น, น, น, น, น, อนที่จะเริ่มงานอีกสักสองคู่สามคู่ปักเที่ยงอีกก่อนที่จะลุกไปทานอาหารสักสองคู่ทานอาหารเสร็จกลับมาอีกก่อนเริ่ม ง, งานใหม่ภักบ่ายอีกสักสองคู่เนี่ยคือพยายามจัดสรรเวลาให้มันได้ให้มันได้จิตมันมีจัด กระบวนการให้สติมันเกิดการตั้งมั่นสําหรับที่จะรู้โลมหายใจบ่อยๆอการที่สติมันเกิดการตั้งมั่นสําหรับที่จะรู้รลมหายบ่อยๆนี่แหละเรียกว่าสโตการีนี่เรียกว่าสโตการีแล้วเราก็ในการที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่ใช่เงินนะสติคําว่าตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นตั้งมั่นที่ชื่อว่าสมาธิคืออะไรตั้งมั่นก็คือสมาติกับรู้สติกับรู้นะ สติกับรู้ตายะสติยาเตยาเนนะสติงสติงุปัติตสุปัิตาหมายความว่าการเดิสติตั้งมั่นดีนั้นต้องอาศัยอะไรสติยาสติยาตายะสติยาอาศัยสตินั้น เตนะยาเนนะอาศัยรู้นั้นสตินั้นกับรู้นั้นนะสติที่อยู่ในสถานะของการระลึกเมื่อ ก, กี้รู้คือที่ก็อยู่ในสถานะของรู้ที่มีตลมหายใจและต่อสภาวะที่ปรากฏสองอย่างนี้ตัวระลึกกับตัวรู้สองอย่างนี้ถ้ามันแน่วแน่มีกําลังขึ้นมาก็าเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นที่เราเรียกว่าสมาธิสมาธิมันคลําตัวได้ที่ไหนเรา สมาธิที่แปลว่าความตั้งมั่นเราจับตัวดูไม่ได้แต่เราสามารถรู้ได้ด้วยสภาวะที่ปรากฏในขณะที่เราภาวนาสภาวะที่ที่มันระลึกอย่างต่อเนื่องและที่มันรู้ในความปรากฏของสภาวะสองตัวนี้อยู่ด้วยกันแ น, แน่วแน่แนนอนแล้วเนี่ยมันเป็นสมาธิมันเป็นความตั้งมั่นของมาขึ้นมาถ้าถ้ามันตั้งมั่นจนถึ ง, ถงขนาดที่ให้จิตเดินออกมาจากลมหายใจมีอยู่บนขาเป็นอารมณ์นั่นก็เรียกว่าสุสมาหิโต เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยความเป็นส่วนมากในชีวิตประจำวันนะให้ได้แล้วก็จะทำให้การภาวนาของเราก็จะได้ต่อเนื่องออกไปอมอมีคำถามไมเก่ง จะมีอะไรเป็นตัวช่วยที่จะทำใหรู้สึกว่านี่ม่ตัวเราของหลัสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เรารู้แลว้วอนนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมถูกไหมรู้ยังอนนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเก่งกันทุกคนนะท่องได้หมดอันนี้จังความไม่เตี้ยงทุกขังความเป็นทุกขอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้ทุกคน แต่มันไม่พออะไรไม่พอสมาธิสมาธิไม่พอกำลังของสมาธิไม่พอสำหรับที่จะให้ความรู้นั้นละคลายอุปาทานออกไปได้ภาวนาเพียนเยอะๆนะเพียนเยอะๆสะสมกำลังของสมาธิเยอะๆ แล้วก็อยู่บ้านนะอย่าไปคิดแต่ว่าเรื่องสำนักปฏิบัติอย่าไปคิดแต่ว่าเราจะต้องไปสำนักนั้นเราจะต้องไปสำนักนี้การคิดที่จะไปสำนักนั้นจะไปสำนักนี้มันเราหลอกตัวเองเข้าใจไหมจริงๆสำนักที่แท้จริงอยู่ตรงไหนฮึมอยู่ที่กายที่ใจถ้าเรารู้สึกตัวยังไม่ตายมีกายมีใจแล้วปฏิบัติเลยนั่นนะคือสำนัก พระพุทธเจ้าเรียกนิพพานัเทวสันติกสํานักก็คือสันติกะสันติกานั่นแหละตราบใดที่เราเอากายเอาใจเป็นอารมณ์เราจะไม่อยู่ห่างอารมณ์ฌานและตราบใดที่ยังอบรมบ่มสมาธิโดยอาศัยกายและใจนี้ตราบนั้นเรายังอยู่ใกล้สัานักของพระนิพพาน เราเดินทางแทบเป็นแทบตายกว่าจะไปถึงสำนักปฏิบัติ ท, ที่หนึ่งไปถึงกว่าจะลงทะเบียนเสร็จกว่าจะจัดการเรื่องราวกว่าจะไปปฏิบัติตามกิจของกฎระเบียบต่างๆกินเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้เราก็เพียแล้วไ อ, ไอ้สันติกะคือสำนักคือกายใจเนี้ยนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นท่านทางเป็นหนทางการไปสู่สำนัก ปฏิบัติมันจาเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ให้ใจมันไปฝักอยเพื่อจะมุ่งไปหาสำนักปฏิบัติโอยไม่มีสำนักปฏิบัติไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดไปไปจนหลงต้องเอารูปนามเป็นสำนักเนาะพอรูปนามเป็นสำนักอยู่ทรงไหนอยู่ในรถได้ไหมไอยู่ในครัวได้ไหมไสักผ้าอยู่ได้พ่อริวเออได้หมด ถ้าเมื่อใดที่จิตมี ม, มีมีรูปนามมีกายใจเป็นสันติกะเป็นสำนักตราบนั้นเราจะอยู่ไม่ไกลแล้วถ้าเขาเป็นอารมณ์เมื่อใดนั่นอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่ห่างจากฌานแล้วเมื่อเขาเป็นอารมณ์อย่างแน่วแน่เมื่อใดก็ไม่อยู่ห่างจากพระนิพพาน แต่ถ้าว่าอยู่ที่บ้านนั่นไม่ได้ไปสํานักโน้นโอ้ยแย่แล้วเดือนนี้แย่แล้วไม่ได้ปฏิบัติแล้วโอ้ยอีกหลายสิบชาติอ่ะ <laughs> โอ้ยแย่แล้วเดือนนี้ไม่ได้ไปสํานักโน้นไม่ได้ไปที่นั่นโน้อนนะใช่ไหม <laughs> โอ้ยแย่แล้วโอ้ยแย่แล้วไม่ได้ไปที่โน้นที่นี่ตายเลยอย่างนั้นเดี๋ยวเว้ยยังเกิดอีกหลายร้อยชาติแล้ว คือเราไปเราไปได้อยามีโอกาสอย่างเงี้ยมาได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไม่ไม่ใช่ต้องเข้าใจว่าไอ้สันติกะคือสำนักที่แท้จริงคือนี่ใช่ไหมร่างกายที่ยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคือกว้างหนึ่งศอกที่มีพร้อมด้วยสัญญาและเบญธนาคือมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วก็จบอดอีกต้องรอมาเกิดใหม่โน่นแหะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสันติกะเป็นสำนักเป็นสถานที่เป็นเป็น เป็นรังเป็นรังของธรรมคำว่าสำนักเป็นรังนะเป็นรังของธรรมะเนี่ยกายใจเนี่ยเป็นรังของธรรมะแปด0มี่พันพระธรรมขันธ์อยู่ในรังไหนอ่ะรังไหนอยู่ในรังนี้เห็นไหมอุศลทั้งปวงอยู่ในรังไหนรังนี้กุศลทั้งหลายอยู่ในรังไหนรังนี้โลกุตรธรรมทั้งปวงอยู่ในรังไหนรังนี้และจะไปหาสำนักไหนอ่ะ มันต้องอย่างนั้นนะอืมมันก็จนเับรรดาบอะไรที่มันอยู่รังนี้คือถ้าเราไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติแล้วมันปฏิบัติไม่ได้เนี่ยโอ้ตายเลยเหมือนกับว่ามานี่ทีก็ได้ดำขน <c oughs> ทักสี่ห้าโอ้าวจริงเพราะได้น้ำฝนถี่เมกลับไปบ้านทำไงโอเต้นดินดินดินดินดินดินดินดินดินดินพอถึงเวลาจะกินดูเอา แหงหมดแล้วกลับมาเอามาอีกห้าหยดตายเลยเราะฉนั้นเราจะต้องอาศัยให้การปฏิบัติของเราต่อเนื่องต่อยอดทุกวันเพราะการใช้ชีวิตในระหว่างวันจะต้องเอื้อต่อการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นมันจะมีอันตรายและมีตัวอุปการะวิธีการที่จะทําให้การปฏิบัติของเราต่อยอดในระหว่างวันเราก็จะต้องใส่ตัวอุปการะต่อการปฏิบัติของเรา เราจะต้องเคลียรตัวที่เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติของเราออกไปเดี๋ยวคนเดือนหน้ามาพูด <laughs> เพราะอันตรายของการปฏิบัติกับตัวอุปกา ร, ระของการปฏิบัติโดยเฉพาะอาณาอาณาก็จะมีตัวอันตรายของอานาเราวางที่รู้ลมหายใจจะกลายไ ป, ไปยเป็นปฐุสไรลมหายใจใช่ไ <laughs> อุปการ ะ, ระ เอากระการตัวอุปการะต่ออานาของเราเนี่ยมันจะทำให้การภาวนาของเราดาเนินไปได้ด้วยดีแต่นี่แหละเอาเทคนิคที่จะมาบอกในระหว่างวันทำให้มากลุกคืบเข้าเข้าไปตื่นนอนขึ้นมาก่อนลุ ก, กออกจากเตียงรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไรทำยังไงวต่อไปชื่นใจหน่อยวะฮะกี่คู่วะเออได้ห้าคู่ก็สดชื่นแล้ว ลุกจากเตียงเสร็จอาบน้ําอาบท่าทแต่ง ต, ตัวกินกาแฟาจะออกจากว่าหรือจะเริ่มงานที่บ้านเป็นไงเอาอีกสัก ส, <lang> สร้า ง, างความพร้อมให้สติเกิดเป็นสุปัฏฐิตาสุปัฏฐิตาแปลว่าให้สติเขาตั้งมั่นพร้อมสําหรับที่จะเข้าไปรู้ไปกระทบต้องไปกระทบกับคนงานต้องไปกระทบกับงานต้องไปกระทบกับเรื่องราวต้องไปกระทบกับเหตุการณ์ต้องไปกระทบกับเสียงต้องไปกระทบกับรูปเราสร้างสติให้มันเป็น สุปัฏิตาในพูดดิให้สติเป็นสุปัฏิตาให้มันเกิดการตั้งมั่นดีสติเป็นสุปัฏิตาให้มันเกิดการตั้งมั่นคือให้มันพร้อมใช่ไหมสําหรับที่จะไปรู้ไปเจอไปพบกับเรื่องราวสิ่งต่างๆอ้าว เ, เข้าไปที่ทำ ม, มานแล้วพักเที่ยงแล้วเว้ยพักเที่ยงเสร็จเดินกลับมาถึงกินก๋งกินข้าวอะไรเสร็จก่อนเริ่งมงานเป็นไงสองสามคู่เอาสอหรือสาม สองหรือสามเร็วเออสามคู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเริ่มงานเสร็จเลิกงานถ้าเราไปทํางานเราที่ทํางานเราอยู่ข้างนอกก่อนที่จะออกจากที่ทํางานก็เอาอีกหน่อยหนึ่งก่อนจะขับรถออกมาก็เอาอีกสองสามคู่ระหว่างขับรถเจอไฟแดงเป็นไงแต่ดูเลขมันนะอย่าไปอย่าไปโง่โง่เลขมันแดงแค่ห้าวิอย่างนี้ยังจะไปเอาอีกสักสี่หคู่ก่อนสมควรที่จะโดนด่าแล้วแหละ อ้ทีนี้ก็ไปเลิกกลับมาถึงบ้านจอดรถเสร็จก่อนลงจากรถอีกสักสามคู่เข้าบ้านเสร็จอาบน้าอาบตากินข้าวก่อนนอนเอางีก้ก็อา่าคูทีนี้นี่เรารุกคืบรุกคืบในระหว่างวันนะถ้าถ้าเรามีเวลามากไปกว่า น, นั้นเราลุกอะไรรุกเวลาที่อกุศลมันกินเราเช่นเวลาดูละครเวลาดูซีรีส์ เวลานั่งเมากับเพื่อนเวลานั่งคุยแชทคุยไลน์เวลาอะไรพวกนี้เรารุกเข้าไปโดยเอามาตรงไหนตัดสมมุติว่าเราดูละครจันคารพุทธพระฤาษีหัตถุกมีห้าวันดูเองทุกวันเลยเราก็ตัด ม, มันออกมาเอาเฉพาะจันกำลังคารพอพุทธกับพระฤหัสนี่ในเวลานั้นเอาเลยครึ่งชั่วโมงรุกเข้าไป ค่อยๆลุกขึ้นไปค่อยๆลุกข้นไปบริหารจัดการค่อยๆลุกขึ้นไปแล้วจัดเวลาสําหรับการเดินจเจริญสติหรือว่าดนจงกรมถ้าเราเช้าเย็นที่บ้านเราไม่ได้ในห้องเราไม่ได้ทําไงอะ่ะมันไม่มีหรอกที่ไม่ได้อ่ะชักแนาทีก็ยังดีเดินยืนจเจริญสติเดินจเจริญสติหน้าห้องน้ําก็ยังได้ไวะแต่ถ้าถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้ ตอนเย็นเย็นเลิกงานเลิกกันเดินได้นี่บ้านนี้สามคนแม่ลูกสี่คนพ่อแม่ลูกช่วนกันเดินได้นี่สองคนแม่ลูกอันนี้เขาก็เดินกันอยู่แล้วแล้วมีหลายคนที่ทำเรื่องด้วยไอ้หมวยที่มันเพิ่งกลับไปเนี่ยมันส่งอัตมาทุกวันนะของพ่อวันนี้ลูกนั่งหาเสริมสิบนาทีวันนี้สี่สิบนาทีทุกวันน่ะคือให้มันได้ทุกวันจนมันจนภารกิจของชีวิตเรา มีงานภาวนาเป็นเรื่องหลักทุกเรื่องในชีวิตเป็นหานอาติเรกเพราะอะไรเพราะว่างานภาวนาถ้ามันเป็นเรื่องหลักแล้วมันจะมีสติกับสมาธิเข้าไปอยู่ในงานทุกงานได้หมดเลยอ๋อ ยะาวาริวหาปราปริปุเรนติสักระเณวเมวะอิโตตินังเปตานังอุภยกปาิอิจิตังปาฏิตังตุมหังกิป้าเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังคปจันโทปนรโสยทามานโชติราโสยทาอภิวาฒนศิลิสานิจังุทาปัจจายด จตาโรโหธรมาวันติอายุวันโดสุ ข, ขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพชังคานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตเมื่อครั้งที่ปฏิบัติที่วัดกรกอน น, อน้นกว่าคําไว้คาหนึ่งคืออหังการะมะมังการามานานุใสใช่ไหมวันนี้กวักอีกคําหนึ่งคือ คือคืออะไรมันตั้งใจควังกันหรือเปล่าวะ <c oughs> สุปัฏฐตาจำไว้ชื่อเพรา ะ, ะด้วยใช่ไหมเหมือนผู้หญิงเลยสุปัฏฐตาเป็นเรื่องราวของการที่ตั้งสติให้มันตั้งมันให้ดีพร้อมตั้งสติให้มันตั้งสติให้มันเรียกสุปัฏิตาในอารมณ์หยาบหยาบปกติอย่างนี้แหละ อยู่ๆเราจะรู้ปั๊บตั้งสติไอ้มั่นก่อนสติใอ้มั่นเริ่มต้นด้วยลักษณะสองประการทบทวนหน่อยแค่นี้พอสติหอตั้งมั่นด้วยลักษณะสองประการหนึ่งยกเขาเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวสองไม่คุ้งซ่านนะบาลีกิตติศรีกะัคะตังอวิกเขปังปะชานาโตสรติงสุปดิตาแค่นั้นนะ ไอ้บาลีก็ไม่ต้องไปจำจำแต่สุปฏิตาพอสติที่ตั้งมั่นเพราะเพราะจิตมีอารมณ์อันเดียวหนึ่งรู้ในความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านอีกหนึ่งเห็นไหมแล้วก็สติยาอา่ตายะสติยาเตนะยาเนนะด้วยสตินั้นด้วยรู้นั้นสโต การีโหติชื่อว่าการเจริญสติจำไว้อย่าให้มันหลุดออกนอกอคอกนี้ไปเดี๋ยวก็หลุดออกนอกเส้นทางแล้วมันจะไปออกไหนต่อไหนไม่รู้ให้มันอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าตรัสอนไว้ให้หมดจะได้เดินถูกถูกูเป๊ะเป๊เป๊เ ป, เ, ป, เ, ป, เ, ปเอาเดี๋ยวยาว